อนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ77 1. ภพิกูุบอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสัสมบันสองพิกูตต้นบัญญัติภูตาโรจะนาสิกาบทที่8จบ